รู้จริงแล้วจัดให้ตรงข้างวินัยพระอรหันต์เชื่อฟังพระพุทธเจ้าข้างรู้ธรรมะมีเชื่อใครมีเสียงมาได้ความว่าเหตุผลที่พระคึกฤทธิ์ยกขึ้นอ้างในการไม่ยอมรับพระสา ว, วกแม้แต่พระสารีบุตรเป็นทํานองว่าพระสารีบุตรไม่รู้จริงรู้ไม่ถึงหรือรู้ไม่พออย่างในคราวที่พระสารีบุตรและพระมหาโมคลานะ ไปสอนพระห้าที่ตามไปอยู่กับพระเทวทัตให้รู้เข้าใจความจริงแล้วตามพระอัครสาวกทั้งสองกลับมาอยู่กับพระพุทธเจ้านั้นในฐานะที่พระเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติตามพระเทวทัตที่ทําลายสงฆ์พระสาวรีบุตรกราบทูลเสนอให้พระพวกนั้นอุปสมบทใหม่แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ต้องถึงอย่างนั้นเอาแค่ปรับอาบัติทุลลัใจ ดังว่าแล้วอัตมาอยู่ห่างไกลในดงดอยคําที่พูดเกี่ยวกับพระครึกฤทธ์ตรงนี้ยังเป็นการลําดับเรื่องตามที่พอได้ความจะต้องรอโ อ, อกาสที่จะได้ถ้อยคําเต็มตามที่ท่านพูดอีกทีแต่ขณะนี้เอาความแค่โยงไปหาหลักได้และตอนพูดถึงหลักนี่แหละจะชัดเรื่องข้างบนนี้พระครึกฤทธ์จะเอาเป็นเหตุผลที่แสดงว่าพระสารีบุตรรู้ไม่จริงรู้ไม่พออะไรทํำนองนั้น ถ้าจะเอาเหตุผลทำนองนี้ยังมีอีกอย่างในจาตุมาสูตรพระห้าร้อที่เดินทางไปกับพระอัครส า, าวกทั้งสองเมื่อถึงเมืองจาตุมาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ขณะที่พระเจ้าถิ่นต้อนรับและจัดเก็บบาดจีวรเข้าที่ท่านพากันส่งเสียงเอ็ดอึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระพุทธเจ้าตรัสให้เรียกพระเหล่านั้นมาและตรัสให้พระเหล่านั้นออกไปเสีย ไม่ให้อยู่ในที่ใกล้พระองค์ต่อมาเมื่อพระเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักธรรมที่เรียกกันว่าอันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่างระหว่างเหตุการณ์นั้นตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถามพระสารีบุตรว่าเมื่อพระองค์ทรงขับไล่พระห้าร้อยเป็นนั้นพระสารีบุตรคิดอย่างไรพระสารีบุตรทูลตอบว่า พระผู้มีพระภาคจะทรงขวนขวายน้อยจะทรงพักสบายสบายพวกท่านเองก็จะขวนขวายน้อยจะพักสบายสบายด้วยพระพุทธเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ท่านคิดอย่างนั้นจากนั้นตรัสถามอย่างเดียวกันกับพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะทูลตอบว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงขวนขวายน้อยจะทรงพักตัวท่านกับพระสารีบุตร ก็จะบริหารภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าประธานสาธุการแก่พระมหาโมคลานะและตรัสว่าพระองค์หรือไม่ก็พระสาวรีบุตรและพระมหาโมคลานะพึงบริหารภิกษุสงฆ์ไม่ทราบว่าพระคึกฤทธิ์ยกเรื่องนี้มาอ้างด้วยหรือไม่เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่าพระสาวรีบุตรรู้ไม่จริงรู้ไม่พอแต่จะยกมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องจาพวกเดียวกัน เอาเป็นว่าแค่นี้ก็พอทีนี้จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรเอาง่ายๆให้พิจารณาเรื่องราวโดยแยกเป็นสองระดับคือเรื่องในระดับธรรมะกับเรื่องในระดับวินัยเรื่องในระดับธรรมะคือความเป็นจริงตามสภาวะธรรมดาของธรรมชาติหรือปรมัติ์ความเป็นจริงด้านนี้ระดับนี้ที่เป็นของมันอย่างนั้นเป็นของรู้เข้าใจ เห็นด้วยปัญญาประจักษ์กับตนไม่ขึ้นต่อใครพระอาหารหันต์เข้าถึงสัจจะนี้แล้วไม่ต้องเชื่อต่อใครแม้แต่พระพุทธเจ้าในข้อนี้คือพระอริยะทั้งหลายก็เห็นแจ้งประจักษ์ธรรมในระดับแห่งปัญญาของตนโดยไม่ต้องเชื่อต่อใครจึงเป็นไปด้วยเสรีภาพแห่งปัญญาดังเรื่องของพระสาริบุตรเองที่ว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอเชื่อไม่ว่าสัตทินรียวิริยินรีย์สตินสินรีสมาทินสีปัญยินรียที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมหลังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปลายทางมีอมตะเป็นที่จบที่สุดมีอมตะเป็นที่จบสุดท้ายท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ไปตามศรัทธาด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่าสัจทินรีจนถึงปัญญินรีย์อันบุคคลเจริญแล้วมีอมะตะเป็นที่จบสุดท้ายด้วยว่าอมะตะนั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทําให้ประจักษ์แจ้งไม่มองเห็นด้วยปัญญาชนเหล่านั้นจึงพึงต้องไปตามศรัทธาด้วยความเชื่อต่อคนคนอื่นในข้อนั้นว่า สัตทินสีจนถึงปัญญินสีอันบุคคลเจริญแล้วมีอมตะเป็นที่จบสุดท้ายก็แลอมตะนั้นจนเหล่าใดรู้แล้วมองเห็นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นก็หมดกังขาสิ้นวิจิกิจชาในข้อนั้นว่าสัตทินสีจนถึงปัญญินสีอันบุคคลเจริญแล้วมีอมตะเป็นที่จบสุดท้ายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อมตะนั้น ข้าพระองค์รู้แล้วมองเห็นแล้วด้วยปัญญาข้าพระองค์จึงหมดกังขาสิ้นวิจิกิจชา้พชาพระพุทธเจ้าประธานสาธุการแก่พระสารีบุตรที่มองเห็นความจริงเองแล้วไม่ต้องเชื่อต่อพระองค์ทีนี้อีกด้านหนึ่งในระดับวินัยคือเรื่องที่ว่ากันตามสมมุติบัญญัติในสังคมมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ว่าจะตกลงกัน จะอยู่กันอย่างไรจะเอาหรือไม่เอาอะไรอย่างไรที่จะให้สังคมหรือสังฆะดำรงอยู่ดำเนินไปด้วยดีโดยภาสุในด้านของธรรมะนั้นมันไม่ขึ้นต่อใครและใครๆก็ไม่ต้องขึ้นต่อกันแต่เมื่อต่างคนต่างเข้าถึงมองเห็นมันแล้วก็รู้เห็นตรงกันเป็นอันเดียวเองแต่ในด้านของวินัยที่ว่าไปตามสมมุติบัญญัตินั้น จะเอาอย่างไรต้องมาตกลงกันจะให้ตรงเป็นอันเดียวเมื่อมองเห็นว่าดีงามเป็นประโยชน์ก็ไม่เอาแค่แก่ตัวแต่ยอมรับกันยอมขึ้นต่อคำสั่งเชื่อฟังบัญชาถ้าใช้คำฝรั่งอาจจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นทำนองว่าในด้านธรรมะไม่ต้องบ l ล e ีฟแต่ด้านวินัยโอเบจริงจังโดยในนี้ในด้านธรรมะ พระอาหารหันต์รู้เห็นเข้าถึงความจริงประจักษ์กับตนจึงไม่ต้องเชื่อแม้ต่อพระพุทธเจ้าแต่ในด้านวินยัยพระอาหารหันต์ซึ่งไม่มีกิเลส ท, ที่จะทําให้เห็นแก่ตัวเมื่อมีศิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไรก็เชื่อฟังปฏิบัติให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดตามศิกขาบทนั้นซึ่งพระอาริยะทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นดังมีพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถึงเป็นอรหันต์ขันอุปโตภาควิมุตหากเราพึงกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในลมดังนี้ภิกษุนั้นจะพึงก้าวหรือหันเหกายไปเป็นอย่างอื่นหรือจะพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ะทีนี้ในกรณีที่ไม่มีกฎกติกาข้อบัญญัติทางวินัยกําหนดไว้ การคิดคำหนึ่งพูดจาปฏิบัติจัดการต่างๆในเรื่องสมมุติบัญญัติการสัมพันธ์อยู่ร่วมกันในสังคมก็เป็นไปตามอัธยาศัยตามความเคยชินที่สะสมมาเฉพาะตนเฉพาะตนต่างกันไปเป็นเสรีภาพในการแสดงออกเมื่อเป็นพระอรหันต์หรืออริยบุคคลทั้งหลายก็เลือกทำตามจิตใจที่เมตตกอยู่ใต้อานาจของกิเลสแล้วสุดแต่จะพอใจน้อมไปอย่างไร คู่ ก, กันกับเสรีภาพทางปัญญาอันเข้าถึงธรรมะที่ไม่ขึ้นต่อใครวัดนี้เกิดมีขึ้นแล้วจะเรียกชื่อว่าอะไรปีนี้รูปนี้จะไปจำพรรษาที่โนนรูปนั้นจะไปที่ไหนงานนี้จะจัดทาด้วยกระบวนวิธีอะไรอย่างนี้ถึงจะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็เลือกธทมไม่เหมือนกัน การที่พระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าเสนอให้พระอดีตสิทธิ์พระเทวทัตเหล่านั้นอุปสมบทใหม่ก็เป็นเรื่องของสมมุติบัญญัติทางวินยัยซึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติว่าพระที่ประพฤติตามผู้ทําลายสงฆ์จะมีความผิดเป็นอาบัตอะไรและการบัญญัติวินยัยวางสิกขาบทก็มีใช่กิจหน้าที่ของพระสารีบุตรแล้วในตอนนี้แหละ ก็ได้เห็นชัดว่าโดยทรงปรารบเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติให้พระที่อนุวัตตามพระที่ทําลายสง์ต้องอาบัติทุนลัดใจเมื่อมีทางออกใหม่ชัดขึ้นมาการพิจารณาจัดการอย่างอื่นเช่นอุปสมบทใหม่ก็จบไปเป็นเรื่องในขั้นสมมุติบัญญัติว่าจะตกลงเอาอย่างไรมิใช่เรื่องของการรู้สัจจะบรรลุธรรมว่าแค่นั้นแค่ไหน เรื่องที่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงพักวางภาระตรัสถามพระสารีบุตรท่านทูลตอบอย่างหนึ่งตรัสถามพระมหาโมคลานะก็ทูลตอบอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารงานปฏิบัติจัดการกับสมมุติบัญญัติในระดับของวินัยซึ่งพระมหาโมคลานะถนัดโน้มไปในงานบริหารปกครองดังที่พอจะรู้กัน อย่างที่ว่ามานั้นไม่พึงเอาไปสับสนกับด้านของธรรมะว่าท่านบรรลุหรือไม่แค่ไหนเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าพอก่อนผ่านไปได้